พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13าวักที่สี่ชื่อราชวักคือวักว่าด้วยพระราชามีสิบสูตรพระสูตรแรกของวักที่สปพระสูตรที่ส1เอดของเล่มที่13าคติการสูตรสูตรว่าด้วยช่างหม้อชื่อคติการะพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศล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 ก็ชวนไปเฝ้าพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกอ้างว่าอารามอยู่ไม่ไกลโชติปาลมานพก็คัดค้านเช่นเดิมถึงสามครั้งช่างหม่อจึงจับเข็มขัดของมานพแล้วชวนอีกมานพก็คัดค้านอีกคราวนี้ช่างหม่อจับผมชวนอีกโชติปาลมานพนึกแปลกใจว่าตนสนานศีรษะแล้ว